พระธรรมเทศนาแผ่นที่7จ็ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าคนไม่มีปัญญาจะไม่รู้คุณค่าผู้มีพระคุณวดัดแหงงาน งานวัดป่าผูก้อนเขานิมนต์ไปหลวงพ่อไปสวดพระพุทธมนต์เช้าแล้วก็ทำพิธีเกี่ยวกับวันพ่อสํนักพุทธอุดรเป็นผู้นิมนต์ในน้ำของผูก้อนหลวงพ่อมาพิจรารณ า, นานดูแล้วก็หลวงพ่อก็มีแขกผู้ใหญ่ แกผู้ใหญ่จะเข้ามาวัดวันน้ประมาณส0บโมงหลวงพ่อก็เลยแบบเบี้ยวผูกก้อนไว้ก่อนอถึงว่าจไงครูบาอาจารย์พระสงฆ์ศรัท ธ, ธาญาติโยมก็คงจะมากแล้วะผูกก้อนเพราะหลวงพ่อเองก็หนีออกจากวัดไปหลายวันตั้งแต่วันที่ย5้านะลูกหลานนะส้าไปมุกดาหาร ไปทำบุญเกี่ยวกับโยมพี่ตาวที่คบรอบทำบุญของโยมพี่จากนั้นก็ได้วันรุ่งขึ้นกวันที่สองต่อมาก็พวกลูกหลานทำบุญขึ้นบ้านใหมอ่อีกวันที่สามมาฉันอยู่ที่โรงสีสมหมายร้อยเอ็ด เพื่อจะพูดเกี่ยวกับเจดีย์ขององค์หลวงตาแล้วก็วันต่อมาอีกมาวางเาสาเอกที่วัดหลวงพ่อเมืองหลวงพ่อเมืองจัดการทำบุญเพื่อวางศักปหลักเสาเอกท่างเจดีย์างนั้นหลวงพ่อก็ลงไปกรุงเทพ อ, อีกวันที่29 แล้วก็วันที่30สฉันที่สวนแสงธรรมแล้วก็วันที่หนึ่งมาที่ฉันที่สวนแสงธรรมอีกเป็นวันจันทร์พอฉันเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายก็มาขึ้นเครื่องลงอุดรแล้วก็เข้าไปวัดหลวงปู่บุญมีวันเกิดของท่านไปสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์เย็นพอบกลับไป พระท่านสวดเสร็จแล้วประมาณหนึ่งท่มเขาก็พร้อมพอไปถึงก็พอดีกับกาบจะกาบคารวะทำวัดหลวงปู่บุญมีหลวงพ่อก็ได้เป็นผู้นำพานำหมู่น้องหลงทั้งหลายคารวะมหาเทเรปรมาเทนะหลวงปูบ่บุญมีพอเสร็จแล้วก็เขาก็นิ่ นี่มลหลวงพ่อแสดงธรรมแสดงธรรมวันที่วันที่หนึ่งเย็นวันที่หนึ่งได้ออกเฟซบุ o กนะถ้าใครอยากจะฟังเนาะเปิด facebook ถ้าใครเปิดเป็นหลวงหลวงพ่อแสดงธรรมยืดยาวทีเดียวเลยหลายชั้นหลายเชิงหลายแนวความคิด แสดงธรรมที่วัดหลวงปู่บุญมีเพราะว่าท่านเป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงพ่อเพราะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาแต่จะพูดจะฉลองกินข้าวต้มขนมเฉยเฉยไม่ได้พูดแนวจุดยืนจุดยืนของกรรมฐานจุดยืนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จุดยืนสำหรับพระกรรมฐานมีจุดยืนอะไร หลวงพ่อก็ได้พูดเป็นจุดยืนกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งให้คณะพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังใช้เวลาฟังฟั ง, ฟงดูหลวงพ่อพูดว่าไม่มากนะแต่ผู้นับเวลาบอกว่าชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะเทศอที่วัดหลวงปู่บุญมีเมื่อวานนะเสร็จแล้วก็วไปดูเจดีหลวงพ่อคูณ ที่ทำยกชัดแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จเมื่อวานกลับมาก็เย็นวันนี้ก็จะไปขึ้นไปภูก้อนอกีกหนีจากวัดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าลวงพ่ อ, อวัดของเราก็มีภาระทุระศรัทธาญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ควรจะอยู่วัดมอบให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ศรัทธาญาติโยม จัดการไปซะหลวงพ่อก็เลยได้อยู่วัดในวันนี้วันนี้เป็นวันที่สทธันวาคมพุทธศักราช2557วันที่หเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันสำคัญยิ่งของประเทศชาติบ้านเมืองแต่วันนี้ก็ทุกหน่วยงานทุกหน่วย รัชกาลตลอดถึงฝ่ายพระสงฆ์เพราะว่าพระมหากษัตริย์ตราคู่กับศาสนามาตั้งแต่ดึกดําบรรพเพราะนั้นทางฝ่ายพระพุทธศาสนาวัดว า, าศาสนาวัตวาาาวตดต่างๆก็จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อฉลองหรือว่าสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริเป็นมงคล ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็ได้บอกกล่าวเตือนกันมาเป็นทอ ด, ทอดแต่ละวัดก็เคยทำมาทุกปีที่วันพ่อแห่งชาตินี่แหละถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศประเทศไทยคำว่าพ่อคำนี้นะมันกินลึกเข้าไปสู่จิตใจถ้าผู้มีปัญญามากเท่าไหร่ ก็ย่อมลำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ได้มากถ้ามีผู้มีปัญญามากเท่าไหร่ก็ต้องลำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้มากาพูดกระทั่งตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันตายก็บรรยายไม่จบเพราะพระคุณของพระพุทธเจ้ามาก ถ้าหาว่าพวกเราพระสกนิกรทั้งหลายผู้มีปัญญาก็ยอมลํำลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชนินีพระบรมวงศานุวงศ์หรือตระ ก, กูลที่ปกครองประเทศชาติมาเป็น ท, ทอดตั้งแต่นูน่นตั้งแต่กรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ที่ปกป้องประเทศชาติให้พ้นปากเกียวปากากา ยังรัศการที่สี่ที่ห้าถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติจากนั้นก็พ่อแม่ของพวกเราที่ให้กำเนิดพวกเราที่เราเกิดมาจากพ่อแม่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็ย่อมลํำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ยได้มาก จนหาที่จะบรัรยายไม่ไม่รู้จะเอาบรรยายยังไงเพราะพระคุณของท่านเหลือล้นขนาแต่ถ้าคนโง่และลึกถึงบุญคุณของใครไม่ได้เป็นอริเป็นศัตรูทั้งหมดถ้าคิดคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ว่าพระพุทธเจ้าเอาเปรียบไม่ได้ทำอะไรปรงผมก็อยู่ในป่าก็ลมาขอข้าวชาวบ้านกิน ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอคนโง่คิดอย่างนั้นทิศกินถึงพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นว่ า, อ, าอยู่เหนือใครอีกต่างหากแต่มาคิดถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเอถ้าหาว่าตัวเองพ่อแม่ทุกอย่างขนาดนี้ทำไหมให้เรามาเกิดทำไมทำไมทาให้เราเกิดถ้าเกิดแล้วทำไมไม่เลี้ยงดูเรา มันมีแต่เอาเอารัดเอาเปียบทางนั้นเพราะอะไรเพราะโูกโงอกมองไม่เห็นบุญคุณทั้งหลายทั้งปวงถ้าหาว่าผู้มีปัญญาจะต้องมองเห็นต้องมองเห็นถ้าพ่อแม่มีความคิดมีปัญญาอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้พวกคณะสัตธรราญาติโยมลูกหลานได้ฟังว่าถ้าตะแก สูลูกหญิงลูกชายลูกชายลูกหญิงสูททำไมก่อนมาเกิดทำไมไม่ดูไม่ดูซะก่อนข่าในีทุกจนอย่างไรมันหลับหูหลับตามาเกิดได้ยังไงมันเสือกมาเกิดได้ยังไงทำไมไม่ดูก่อนพ่อแม่ทุกยากมันงโง่แล้วเกิดดวงวิญญาณเนี่ยพอมันใหญ่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยั ง, งโง่เอกแอยังทวงบุญคุณอีก ทำไมเมื่อก่อนที่มาเกิดทําไมไม่ดูไม่ดูพ่อดูแม่ซะก่อนว่าพ่อแม่อย่างนี้ข่าเกิดขึ้นมาข่าต้องจนแน่ๆข่าไม่เกิดหรอกก็ไปเกิดใช่ไปเกิดกับลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดมาก็รวยเลยก็เพราะตัวเองทําความชั่วทํากรรมไม่ดีไว้ในอดีตชาติมันบุญแหววศาสนาบา ร, รมีมัน เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมันไปที่ไหนไม่ได้พอมาเกิดพอมาเกิดแล้วจะมาดูถูกพ่อแม่อีกเพมาะเห็นอะไรพอมันโง่แต่ตามไม่จริงพอมาเกิดแล้วก็เออน่าจะสํานึกได้พ่อแม่ของเราก็ท่านก็อยากจะรวยเหมือนกันแต่ท่านก็กลับมาจนแต่เอาเถอะเรามาเกิดแล้วเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดให้พ่อแม่รวยเราจะเป็นผู้ส่งเสริมให้พ่อแม่มีความสุข พพ่อแม่ทุกยากทุกโจนมาพอแรงแล้วเรามาเกิดเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดผู้อย่างนั้นก็คือผู้มีปัญญาอย่างที่ว่านะถ้าพูดที่โง่แล้วก็อย่างที่ว่าอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อมาเกิดในพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทบ พื้นแผ่นดินไทยได้พบพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิอนุญาตให้เราได้บวชในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อว่าเป็นบุญกุศลเจ่งใหญ่ถ้าเรานึกดูย้อนหลังแต่อันนี้หลวงพ่อนึกย้อนหลังของหลวงพ่อเองนะแต่พวกท่านทั้งหลายก็ควรจะนึกที่หลวงพ่อได้บอกเป็นประเด็นขึ้นมานะพวกท่านทั้งหลายก็คงจะนึกย้อนหลังดูซิ แต่สําหรับหลวงพ่อเองนุวงพ่อเป็นหลวงพ่อมีบุญเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิถึงจะเป็นผู้ยากจนเป็นชาวไร่ชาวนาแต่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในยศพระไตรสรณะขมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็มาในทางที่ถูกต้องเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นตั้งแต่ปู่ย่า ปู่ก็ได้บวชเป็นพระหกพันศาคุณยา่าโคงสุดท้ายก็ได้บวชทั้ง30กว่าพันศาจากนั้นพวกอาอานาน า, นาทั้งหลายก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาถึงคุณโยมพ่อก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาทั้งเป็นตะพักขาวด้วยสรุปแล้วก็คือเราเกิดอยู่ในแวดวงสัมมาทิฐิ ยึดพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งมาตั้งแต่ต้นตระกูลอ่าอันนี้ถึงหลวงพ่อนึกย้อนถึงตระกูลของของหลวงพ่อนะแต่นีพออ่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ถึงจะทุกข์ยากก็ทุกข์ยากแบบชาวบ้านก็ไม่ถึงกับหิวโหวยข้าวมีอยู่มีกินเพราะพ่อแม่ทำไรทำนาไม่เคยอดเตืองข้าวเหลืออยู่เหลือกินได้ขาย จากนั้นวัตถุดิบทั้งหลายทั้งปวงพืชไร่พืชสวนก็เป็นไปได้ก็ไม่ถึงกับลําบากแต่จะลําบากก็คือการเงินท่านั้นเองเงินในจนจริงๆอยู่กับพ่อแม่แต่ว่าเรื่องวัตถุดิบนี้เป็นไปได้มีอยู่มีกินแต่ถึงยังไงท่านก็ทั้งพ่อแม่ทั้งพี่พี่น้องๆก็ฝักใยในการกุศลมีแต่พูดเรื่องไหวพระสวดมนต์ ศึกษาครูบาอาจารย์จากนั้นก่อนนะดูแลปลนิบัติทั้งปู่ทั้งย่าของท่านทั้งโยมพ่อโยมแม่จากนั้น ก, กับครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปูล่ลาหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่สมเป็นพระผู้ใหญ่ในยุคสมัยนั้นจากนั้นก็ท่านก็ได้เข้าพอหลวงปูล่ลาปีสอ0พท่านก็ได้บวชเป็น สอ9พั้อกท่านก็ได้บวชเป็นตปะเขาวปี2500ท่านก็ได้บวชเป็นพระต้นปีหลวงพ่อกลางปีหลวงพ่อบวชเป็นสมณีปีสองพนห้าร้อเหมือนกันเป็นส ม, มนเณีกลึ่งพุทธกาลเนี่ยอายุเพียง11และสิบสอปีพ่อแม่เอาเข้าบวชทําไมจึงได้เอาเข้าบวชเพราะว่าพ่อแม่เป็นสมมาทิติอย่างดาวทีวานอยู่บ้านนอกไม่รู้จะ ไปเรียนหนังสื อ, อยังไงที่ไหนเป็นลูกใหญ่ขึ้นมาพอที่จะเข้าบวชได้เพราะว่าพ่อแม่กทุกลมหายใจเข้าออกเครื่องคือเรื่องบุญเรื่องกุศลอยู่แล้วาจากนั้นท่านในบวชพอได้บวชเข้ามาเออเราก็ไม่รู้ว่าเราก็บวชมาเนี่ยพ่อแม่ว่าบวชแล้วได้บุญนะลูกนะเราก็อยากได้บุญเท่านั้นนะ่ะบุญนั้นคืออะไรก็ไม่มีใครอธิบายให้ฟัง ให้ชัดเจนว่าบุญได้บุญหน้าะสรุปแล้วบุญก็คือความสุขถามว่าคนคุณ ค, คนมีบุญแล้วไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุกเพราะคนมีบุญแต่บุญมันเป็นพลังแต่มันมองไม่เห็นจะเอาบุญไป <c oughs> เปลี่ยนน้ำมันรถก็ไม่ได้อย่างที่เขาชาวบ้านเขาพูดกัน แต่ตามไม่จริงมันเหนือกว่านั้นอีกถ้าคนมีบุญละไม่ต้องได้ใช้ถอกน้ำมันลถไปที่ไหนเนี่ยมีแต่คนอมอบให้ถวายให้จัดการให้ไม่มีปัญหาเนนะเหนือกว่านั้นไปอีกคนมีบุญมันเป็นพลังเพราะนั้นเราหลวงพ่อเองนึกดูย้อนหลังอืมเราเกิดมาได้พบ เกิดมาจากพ่อแม่เป็นสัมมาทิตฐิในตระกูลจากนั้นก็ได้พบพ่อแม่ครูบายอาจารย์รบพบหลวงปู่ล่าเป็นท่านแรกที่เป็นท่านแนะนำสั่งสอนจากนั้นก็ได้มาพบครูบายอาจารย์มากมายหลายองค์จนถึงองค์หลวงตามหาบัวที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสท่านสอนเรื่องจิตภาวนาเรื่องภาวนาเรื่องทาจิตใจยังไงแต่หลวงปู่ล่าสอนไหมสอน ท่านก็สอนในระดับหนึ่งแต่เรายังเป็นเด็กอยู่ในช่วงนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เข้าใจแต่พอมาถึงหลวงตาในท่านสอนแบบผู้ใหญ่สอนแบบภาคปฏิบัติเราก็เข้าใจเข้าใจในในภาคปฏิบัติขององค์หลวงตาที่ท่านสอนสรุปแล้วก็คือเราภูมิใจในการ ที่ได้เกิดมาในภพ น, นิ้ชาดีไม่ไม่เสียเที่ยวไม่เสียชาติเกิดถึงมาถึงขนาดนี้ก็เถอะนี่แหละอันนี้คือเรามีพ่อที่ดีคือพระพุทธเจ้าแล้วก็เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วก็พ่อแม่ของเราพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่กับเมืองไทยทำไมเพราะเหตุใดถ้าเราศึกษาให้ดีแล้ว เพราะพุทธศาสนาอยู่คู่กับเมืองไทยเพราะมหากษัตริย์มหากษัตริย์สําเป็นสัมมาทิฏฐิทุกยุคทุกสมัยก็ปกป้องพุทธศาสนามาถ้าว่าพวกเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศดูสิอย่างอินเดียต้นศาสนาพอต่อมาแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินไปนับถือศาสนาอื่นประเทศอินเดียก็เลกหมดพุทธศาสนาแล้วในเอเชียมีประเทศไหนบ้าง ที่พระพุทธศาสนาอยู่มั่นคงถาวรถึงจะเป็นประเทศพม่า ก, ก็เถอะเป็นคู่แข่งของเมืองไทยแต่พอเอาเข้าจริงประเทศพม่า ก, ก็ไม่มีไม่มีพระเจ้าแผ่นดินชาวยุโรป ก, ก็มาปกครองเสียเมืองให้กับชาวยุโรปหลายปีก็ทําให้พุทธศาสนาในประเทศพม่าขาดจุดยืนเหมือนกันเพราะขาดผู้นําขาดผู้การให้การสนับสนุน แต่เขาก็เข้มแข็งแต่ถึงเข้มแข็งก็เถอะมันะเปะสปะเพราะขาดหัวเหมือนกัะโดไฟมันวิ่งตามรางมันไม่มีหัวจักรลากแต่เมืองไทยของเรามีเครื่องจักรมีกลไกลมีหัวจักรลากตลอดเพราะฉนั้นพุทธศาสนาในเมืองไทยจึงมีกฎมีเกณฑ์เรื่องหลักพระธรรมวิัยเรื่องอะไรต่อไมิอะไรชัดเจน ถ้าชาวโลกเขาทั้งหลายทั้งปวงเขาก็บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาสมบูรณ์แนวแน ว, แนวพระไตรปิฎกที่พวกเราได้ศึกษาเว้นเสียแต่ว่าพวกเราศึกษาไปแล้วก่อนั่นแหละปลาหมาัดในธรรมคำสอนแสงหน้าแสงหลังแสงแซงซ้ายแสงขวาอันนั้นมีอยู่ทุกยกุคทุกสมัย ขนาดพระพุทธเจ้ายังทรง พ, พ, พระชนอยู่นะเทวทัตก็ยัง จ, จะแย่งพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าอีกตั้งหากเพราะนั้นเรื่องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ต้องแปลกใจมันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นแต่เราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องยืนเน่งดอูอย่าหวั่นไหวไกวแวกในเรื่องราวต่างๆาบางคนก็จะเนี่ย ตัดเป็นพุทธวจนะพิมพ์หนังสือออกมาเล่มมักใหญ่บ้เล่เบ้อลาแต่หลวงพ่อก็เห็นแต่เล่มนะแต่ตามไม่จริงก็มีอยู่ในนั้นแต่ถึงยังไงก็เถอะที่ตัดออกนั้นนตัดออกทำคําสอนที่ออกไปนะั้นเสียหายที่ตรงไหนไอ้คนที่ตัดออกนะั้นมีความรู้มากน้อยแค่ไหน ในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ไปชมกันครั้งแรกที่ถ้ำสัตรบรณคูหาพระมหากรสปะเถระพร้อมกับพระสงฆ์แตกฉานในอัดในธรรมในปฏิสัมพิทายานทั้งหลายทั้งปวงท่านก็นยังไม่กล้าตัดออกว่าอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้คงเดิมเอาไว้คงเดิมแต่พวกเราเป็นใครเก่งกว่านั้นใช่ไหม เก่งกว่าพระโมกเก่งกว่าพระมหากรตปะพระอ น, นุนพระศิวลีพระอนุรุตพระอรหันตพระอรหันต์ขีณาศกผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทายานันเราเก่งกว่าท่านเหล่านั้นใช่ไหมถ้าพวกเราโอปัญญโกมองตนเองข้าเป็นใคร ก็คงจะไม่กล้าพูดถ้าเกินขนาดนั้นถ้าเป็นกลุ่มของเทวทัตลราเออไม่ว่ากันแล้วจะข่ากระทั่งพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนอีกต่างหากเราจะเป็นกลุ่มในล่ะสิ่งเหล่านี้กขขอให้พวกเราทุกทุกท่านนีพูดทางนี้ทางนั้นเป็นการย้ำเตือนกล่าวเตือนอย่าลืมตัวอย่าลืมเจ้าของให้มองเจ้าของข้าเป็นใครข้าเป็นพระสารหรือยัง แตกฉานปฏิสัมพิทายานหรื อ, อย่างถ้าถึงขนาดนั้นเอามาอวดมาพูดให้ฟังที่ตรงไหนเพียงแต่จะไปงัดไปง้างไปตัดไปทอนมันไม่ได้นะเราเข้าขายกลุ่มเทวทัศนะ์นะหลวงพ่อมาเห็นด้วยนะนี่หลวงพ่อในพูดในฐานะเป็นพระป่าอยู่ในป่าดวงพงไพ่สิ่งไหนที่ตัดออกตัดออกมันมันมีโทษอะไร มันให้โทษใช่ไหมที่สิ่งที่ตัดออกในจุดนั้นมีแต่ขุนทั้งนั้นถ้าตัดสิ่งที่ดีออกไปแล้วเนะี่ยจะทำยังไงมันน้อยมันได้ประโยชน์อะไรถ้ามันมากมีประโยชน์ดีไหมถ้าเงินมากไงถ้าเงินมากที่เงินมีคุณค่านะมันดีไหมทองคำเนี่ยมีคุณค่ามากมันดีไหมเออถ้ามันน้อยเนะี่ยดีไหมไม่ดีถ้ามันมันน้อยมีเงินมีทองคาเพียงหนึ่งบาทเนี่ย กับนกทองคำหนึ่งตันอันไหนอันไหนดีกว่ากันถ้ามันเป็นของดีของมากมันต้องดีกว่ามันดีกว่าของน้อยแต่ถ้าว่าของน้อยมันไม่ดีกระยิ่งไม่ดีของมากก็ดีกระยิ่งไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะอะไรมากขี้ควายหลายขี้ช้างมันก็ไม่ดีเพราะอะไรมันหลายยิ่งเปิดเลอะเทอะไปหมดเป็นแต่ขี้ไปหมดเต็มไปหมดมันก็ไม่ดีถ้าเป็นทองคำล่ะ ถ้าเป็นทองคําน้อยก็ดีถ้ามันมาก่ะมากก็ยิ่งดีฮนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราต้องเอาเหตุผลเข้ามาดูว่ามีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนในจุดนั้นมาแฉออกมาดูสิที่ตัดออกตรงนั้นน่ะมันทําร้ายทําลายเสียหายไปยังไงมากน้อยแ ค, แค่ไหนถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้ามีเหตุมีผลแล้วน่นะควรเอาไว้ พรหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยอที่หลวงพ่อว่าถ้าาว่าพระพุทธเจ้ายังสงฆ์ชนอยู่พระพุทองค์คงจะบัญญัติวินัยมากเพราะเหตุไรเพราะยุคสมัยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเพราะว่าการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าว่าพวกเราอไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ จะทํำยังไงล่ะพวกเราศึกษาในพระวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยสิมีต่างเยอะแยะไปอภิสมาจารย์ศินมาในพระปฏิโมกข์สินพระมาในพระปฏิโมกข์สองยี่สิบเจ็ดสินอภิสมาจารย์มากกว่าแต่มากกว่าเรานะตัดทิ้งทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่มาในพระปฏิโมกตัดทิ้งทั้งหมดใช่ไหมอย่างภิกษุอไว้ผมยาวเนี่ย ับอาบัตทุกกฎไว้ก็ได้เห็นไหมเพราะเหะไรเพราะไม่มาในไม่มาในในในพระปฏิโมกข์พภิกษุไว้หนวดยาวนะภิกษุอะไรต่อนี้อะไรไม่มีมากนอกจากนอกศักดิ์ถินพระปฏิโมกแล้วอันนี้เราต้องดูให้กว้างขวางประมวลออกมาซะก่อนรวมสะกันซะก่อนจึงค่อยพยูดจึงค่อยตัดสินใจในจุดนั้น จึงจะถูกนะอันใ้มัวเมียคนไม่กี่คนเนะ่ะพูดขึ้นมาแล้วกันนะเออเต้นแรงเต่นกาหลวงพ่อหวานดูดูแล้วมันเป็นยังไงเออสำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อววานเนี่ยหลักพระธรรมวินยัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้แล้วนะเนี่ยพอแล้วอยู่ในปะัะไตรพิดกนะให้ปฏิบัติเออปฏิบัติได้หรือไม่ได้แต่ขนาดนี้ก็ตือยังล่วงล้ำวินัยมีตังเยอะแยะ ไปทุกวันพระทุกวันเนี่ประยุกต์ไม่อยู่ในกรอบถ้าจะพูดไปก็นั่นแนะมันเยอะพอดไปเท่านั้นหละมันก็จะมีการาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันไปได้อีก น, ะนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานาลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของหลวงพ่อที่ฟังในวันนี้นะ หลวงพ่อพูดให้ฟังคือเป็นแนวความคิดทุกวันนี้กําลังฮกําลังมีเรื่องที่จะต้องได้คิดในหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราอยู่ในความสงบตั้งใจภาวนาเรื่องเรื่องทั้งหลายในโลกนี้ ไ, ไม่ติดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งนั้นะมีแต่จะปรับปรุงแก้ไขคนอื่นเหมือนกระทองบุง่งมีแต่จะคัดคนอื่นให้เกลี้ยงให้เกลาเหมือนกระดาษทรายตัวเองครุขระนะ ไม่มองตนเองเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมองตนเองนะดูเจ้าของไม่ต้องดูคนอื่นนกดูเจ้าของหลักพระธรรมวินัยท่านก็คงเส้นคงวาไว้ในพระไตรปิฎกแล้วอยู่ในนั้นแหละศึกษาถ้าดูเจ้าของนะั่นนะในที่มันไม่ดีปรับปรุงแก้ไข ก, กายวิาจารใจของเราให้บริสุทธิ์หลุดพ้นข้าเป็นใครข้าเป็นใคร ถามเลยสิข้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือข้าเป็นพระรหาราศาสาวอกข้าแตกสารในปฏิสัมพิทายานข้าห่อเหินเดินฟ้าได้ข้าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ดูสิข้ามีอะไรบ้างนหรือว่าข้ามีตะกิฤิโลภโกรธหลงมีแต่อยากเต็นอยากดังอยากมีซื่อเสียงอยากทำลายทาลายคนอื่นเอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหม ถ้ามองตอนเองก็จะมองเห็นนะถ้าคนอื่นมองให้เดี๋ยวโมโหให้เขาอีกอย่างเขามามองหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวคนมามองหลวงพ่อดูถูกหลวงพ่อหวงพ่อโมโหให้เขาอีกถ้าหลวงพ่อมองหลวงพ่อเองหลวงพ่อมีอะไรบ้างข้าเนี่ยหลวงพ่ออินมีอะไรบ้างนะจะรู้ได้จะรู้ตนเองได้จะรู้ตนเองกับปรปับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่มันไม่ดีกับพยายามทําให้ดีทั้งนี้ที่มันไม่ดีอยู่แล้วคือพยายาม นพยายามรักษาไว้แต่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้หลวงพ่อมองข้างนอกเขีนมใช่มันมีสิ่งที่มาพาามาเกิดเหมือนกับเรารักษาน้ำบ่อน้าที่สะอาดพอเราได้ดื่มได้กินในบ่อน้าถ้าคนเอาสิ่งสกปรกแปกเปืื่นมาเราก็ต้องพูดเอออย่าทำมันไม่ถูกนะควรจะรักษาน้ำไว้ให้สะอาด ปกป้องไว้เพื่อจะได้ใช้น้ําไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะน้ำในเป็นน้ำํำที่ดื่มสะอาดอยู่แล้วไม่ควรจะมาเพิ่มเติมสีอะไรเข้าไปอีกไม่ควรจะทําให้น้ำในศกกระปลกลงไปอีกควรจะรักษาหนาหลวงพ่อพูดเพียงแค่นั้นรับพรอนรโมทนาให้พร